พระพุทธเจ้าเคยตรัสเล่านิทานสั้นๆเรื่องหนึ่งให้พระภิกษุสงฆ์ฟังเหยื่อตัวหนึ่งมันไปโฉกจับนกมูลไถได้นกมูลไถนี่ก็มันก็หากินอยู่ตามตามพื้นดิน จับได้มันก็นกมูลไถมันก็ร้องข้ามครวนว่าเนี่ยเราไม่น่าไปหากินนอกถิ่นเลยนะถ้าเราหากินในถิ่นของบิดา <c oughs> ก็จะสู้กับเดียวตัวนี้ได้ให้เหยี่ยวมันได้ยินก็ถามว่าถิ่นของบิดาเจ้าคืออะไร น, ะนกมูลไถยก็บอกว่า ก็พื้นดิที่มันไปมีรอยไยนั่นแหละเหยื่อนี่มันต้องการแสดงความสามารถดะะ้วยให้นกมูลไถ่นี่ปวดดีนะคิดว่ามันจะสู้กับเราได้ถ้ามันไปอยู่ในถิ่นของบิดาของมันก็เลยอยากจะ ก็เรียกว่าให้บทเรียนก็ได้นะหรือว่าอยากพิสูจน์ก็ได้ว่าเนี่ยอากูนี่แน่ก็เลยเอาพานกมูถไายไปปล่อยไว้นะตรงถิ่นที่นกมูลไายวัดเนี่ยเป็นถิ่นเขาไปไดิดดาก็คือดินนี่มันมีรอยไถพอปล่อยเสร็จนะนก เดี๋ยวก็บินขึ้นฟ้าเพื่อเตรียมที่จะโฉบลงมานกมูลไทยนี่พอพอได้มาอยู่กลับมาอยู่ตรงอดินที่มันมีรอยไถเนี่ยก็ก็เลือกตรงในจุดที่มันมีมูลดินเป็นภูนอยู่แล้วก็เรียกเหยื่อลองเรียกเหยืนะเยื่อก็ พอได้จังหวะก็ผุด ป, ป, ปีลงมาแล้วก็โช่พุ่งลงมาเลยนะกาจะมาโช่นกมูญไทยครา้นี้จะเอาให้ตายเลยพอนกมูลไทยเดี่ยวโช่ลงมาใกล้ตัวมันก็หลบเข้าไปในในภูนดินนะในกองดินนะไอเดี่ยวมัน โทรมาแล้วมันหยุดไม่ได้นะมันก็เลยก็แทรกกับกองดินตายเลยอันนี้ก็เรียกว่านกมูลไทยนะอาศัยปัญญาวนะิชาตัดเรื่องนกมูลไทยเสร็จก็ก็ได้พูดว่าเนี่ยนะไอ้นกมูลไทยเนี่ยมัน ที่มันเกือบตายก็ไปหากินนอกถิ่นบิดามันเป็นถิ่นที่เป็นถิ่นอโคจรและพระเจ้าก็ตัดว่าเนี่ยถิ่นอโคจรของภิกษุก็คือเนี่ยกามคุณท่ารูป ล, ลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจและพระองค์ก็ตัดว่าเนี่ยถิ่นที่เป็นถิ่นโคจรของภิกษุนะเป็น ถิ้นของบิดาที่ถ้าหากว่าอยู่แล้วก็จะปลอดภัยก็คือสติปัฏฐานสี่เมื่อได้บำเพ็ญจิตให้อยู่นนในขอบเขตของสติปัฏฐาน4แล้วก็ไม่ตายจากนกมูลไทยที่เมื่อได้อยู่ในทิน่นเมื่อได้หากินในทิ้นของบิดา ไม่จะปลอดภัยปลอดภัยในอันตรายอันตรายในที่นี้สอบภัยสทธ์ก็คือเนี่ยช่องอ่ก็คือมาร น, นั่นเองถ้าวัดไปหากินนอกถิน่นก็คือไปหกบุญอยู่กับการมคุณห้าหรือปล่อยใจให้เพิดเพินในการมคุณห้ามันก็เปิดช่องให้กับมารเข้ามาเล่นงานได้ มานี่ก็เปลี่ยนมันเดียวนะที่มันสามารถจะเล่งงานนกมูลไถได้ถ้ากว่าไปหากินนอกถิ่นบิดาดันั้นในการเจริสตประธานสีนี่มันก็ถือว่าเป็นการพาติดพาใจาแล้วพาชีวตให้อยู่ในความปลอดภัย มันไม่ใช่แค่จิตอย่างเดียวมันทั้งชีวิตเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีไม่บำเพ็ญสติปัสสานสี่ก็คือพูดง่ายคือไม่มีสติเมือ่อไม่มีสติเนี่ยมันไม่ใช่แค่มานจะมาเล่นงานเท่านั้นนะแต่ว่าอะไรต่ออะไรก็สามารถจะเล่นงานได้เช่นขับรถถ้าเพลินนะใจลอย ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แห่โคง้งชนต้นไม้หรือไปไปชนรถคนอื่นหรือชนคนตายอันนี้เรียกว่าไม่ใช่แค่ใจจะไม่ปลอดภัยนะชีวิตก็ไม่ปลอดภัยไปด้วยการที่ผูจ้จ้าตัดนะว่าเนี่ย สติประฐานสี่เป็นเหมือนกัถิ่นดีดาอันนี้ก็หมายความว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็ให้ให้รักษาใจนะอยู่กับสติคือความระลึกได้นะทงกายทั้งใจสติประฐานสี่ นะถ้าเก่าย่อย ก, ก็เป็นเรื่องการมีสติในกายนะมีสติในใจนะส่วนเวทนาแล้วก็ทํามนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนขยายนะถ้าว่ามีสติพิจารณาไม่เพียงแค่ระลึกได้ระลึกรู้ในกายและใจนะแต่ว่าพิจารณากายและใจด้วยนะก็จะเห็นธรรมได้จะเข้าใจธรรม เพราะว่าการไอธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกายกับใจนี่แหละก็คือนิวรห้าขันห้าไอเตนะสิบสองพ่อชงเจ็ดอริยสัจสี่เนี่ยที่ว่าเห็นธรรมในธรรมเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นเรื่องของกายกับใจ นันเป็นแท่ว่าถ้ามีสติเห็นกายมีสติเห็นใจและ ร, รู้ในกายและใจเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงของนิวรณ์ห้าเห็นความจริงของขันห้าเห็นความจริงของแอตระนั1สิบสองโคชงเจ็ดได้ หลวงพเอขวัเคยพูดนะว่าการาที่การที่เรามีสติต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทาให้จิตใจอ บ, อบอุ่นเหมือนกับอยู่ในห้องของพ่อเนี่ยอยู่ในบ้านของพ่ออ ย, อ, พ อ, อยู่ในบ้านของบิดาาบิดานี่ก็เป็นตัวแทนของคนที่คอยปกป้องอยู่ในบ้านของบิดาก็เรียก ว, ว่าปลอดภยัย เกิออดความสุขอบอุ่นขึ้นมาการมีสตินะอย่างที่เราก็รู้กันนะต้องเริ่มต้นที่มีสติในกายวิธนะีง่ายๆคือใา้มีความสึกตัวทำความสึกตัวนะในเวลาทำกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายแลขวาใส่เสื้อผ้านะเรียกว่าครองจีวรนทรงสังฆาติบินทบาทคู่ขาเหยียดขานะอุจจาระปัสวะปิ่นดื่มเคี้ยวลิ้ม ยืนเดินนอนนั่งไม่ว่าจะทำอะไรนะก็ให้มีความสึกตัวอันนี้แหละก็จัดว่าอยู่ในฝานการมีสติในกายมีสติในกายมีความหมายกว้างนะนอกจากรู้ว่าตายมันทำอะไรแล้วเนี่ยก็ยังรู้ว่ากายประกอบด้วยอะไร ก็คือรู้่ากาศประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็รู้ทั้งว่าน่ากายนี้เมื่อมันไม่มีวิญญาณคลองล่างแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะไปไหนมันจะเป็นอะไรก็คือเน่านะการเน่านี่ก็ก็มีหลายขั้นตอนเหลือเกิน ในการพิจารณานะความนอกเปื่อยของกายมันก็เป็นส่วนของการอยานุปัสนาการพิจารณาว่ า, ากายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสนี่ก็เป็นเรื่องของกายอยานุปัสนาก็คือว่ารูปที่มาของกายแล้วรูปที่ไปของกายนั่นแหละพูดง่ายแล้วก็รู้ว่ากายกำลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันขนา ซึ่งกสสนารนิพพานนี่ถ้าสรุปย่อยๆก็เราเอาเฉพาะตัวความรู้สึกตัวก็พอทำความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวส่วนเรื่องไปพิจารณากาย่าประกอบด้วยธาตุสี่หรือว่าพิจารณาซากศพว่าเมื่อไม่มีวิญญาณของเรารากายนี่มันจะมี อาการอย่างไรนั้นเอาไว้เป็นส่วนเสริมก็ได้นะสําหรับพวกเราเนี่ยเพียงแค่การทําความศึกตัวนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วทำความศึกตัวนะมื่อกายเคลื่อนไหวทำอะไรก็ตามพุทธเจ้าบว่าในการทําความศึกตัวเนี่มันเป็นเรื่องสําคัญนะพระองคเคยตัดไว้ว่าเนี่ย เมื่อบุคคลรู้สึกตัวอยู่นะความรู้สึกตัวนั้นนะวันย้อนทําให้เกิดนะอันนี้สองมากมายก็คือทําให้กุปสรธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอุปสรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อบุคคลรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวนั้นจําเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เนพะื่อความดํารงมั่น ไม่เสือ่อมสูญไม่อันตรธาน<ม>อย่างพระสัตธรรมพระสัตธรรมนี้อันนี้ก็หมายถึงพระสัธรรมในใจเราด้วยนะแล้วก็มาถึงพระสัตธรรมที่ผู้คนเขานะศึกษาเรียนรู้อาการจะรปกป้องอาการที่จะรักษาศาสนาได้เนี่ยนะแล้วก็กแค่การทงของศึกตัวนี้ก็ช่วยได้มากแนละ้ว เราจะไปศาสนาในใจเราหรือศ า, าสนาในประเทศชาติทุกวันนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องปกป้องพุทธศาสนานะแต่ว่าถ้าคนปกป้องนี้ไม่มีความสึกตัวมันก็รักษาศีลไม่ได้รักษาธรรมได้ยาก แล้วเมื่อรักษาศีลได้ยารักษาธรรมได้ยานี่จะรักษาศาสนาได้อย่างไรเราก็เห็นนะบางทีคนเ ร, เรียกร้องให้ปกป้องศ า, าสนาแต่ว่าไปใช้วิธีดุดาไปใช้วิธีแก้แค้นมีพระรูปหนึ่งก็ ให้สัมภาษณนะ์ว่าจะต้องปกป้องศนาะ ส, สนาพุทธศาสนาจากภา ย, ยนอกภา ย, ยนอกก็ได้แก่เนี่ยมุสลิมอิสลามนะคนนี้ข่าพระเผาวัดต้องแก้แค้นแก้ว่าแก้แค้นเลยคือ แล้แกแคดของเขาเนี่ยก็เคยเสนอนะว่าเนี่ยให้เผามัสยิดถ้าฆ่าพระหนึ่งลูกก็ต้องเผามัสยิดหนึ่งหลังที่ไหนก็ได้นะภาคเหนือภาคอีสานอะไรก็ได้อันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการไม่ต้องพูดถึงเหตุผลอื่นแล้วเอาพูดถึงเหตุผลแบบชาวพุทธเนี่ยมันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วยังไม่ได้พูดไม่ต้องพูดถึงเหตุผลแบบโลกโลกนะว่าการทําแบบนั้นเนี่ย มันก็เท่ากับโหมไฟให้กับพื่อแรงและทําให้ชาวพุทธอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรา ย, ยอยู่ที่ไหนก็เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะถ้าเกิดว่าเขารวยเป็นชาวพุทธเขา ก, ก็หาทางแก้แค้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามภาคใดของประเทศหรือส่วนใดของโลกเนี่ยเขารู้ว่าเนี่ยในเมืองไทยนี่มีการเผามัสยิดคยสลามก็จะเกลียดชังชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วเขาก็จะแก้แค้น การปกป้องศาสนาแบบนี้นี่มันมันทำให้ชาวพุทธอยู่ในอันตรายแล้วก็วัดก็อยู่ในอันตรายด้วยอันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องว่ามันถูกหลักคำสอนพุทธจาหรือว่านะยิ่งเราเอาคำสอนพุทธจามาติดเจอนาก็จะเหนว่ามันมันไม่ใช่มันเป็นการกระทำที่ผิดศีลผิดธรรม แล้วเมื่อรักษาศีลรักษาธรรมไม่ได้จะรักษ า, าศาสนาได้อย่างไรไอ้ที่เสนอวันนี้เนีเพราะอะไรก็มีความแท้นมีความกวดความเกลียดกำครอบงำพูดอย่างนั้นเพราะว่าความรู้สึกตัวมันหายไปแล้วคนที่จพูดงนั้นได้เนี่ยพูดให้แก่แค้นพูดให้เขามาซีสหรือพูดให้ลงมือฆ่านะถ้าพูดได้นะ อันนั้เรียกว่าพูดด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ตัวเพราะถ้าไม่รู้ตัวก็จะไม่พูดอย่างนั้นเลยถ้ามีความรู้ตัวมีความรู้สึกตัวเนี่ยนะอกุศลธรรมที่เกิดก็ดับไปนะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวจนแล้วนี่อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดนะก็เกิดอกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วก็ดับไป และอย่างนั้นแล้วเนี่ยาศาสนาในใจก็ไม่เหลือเมื่อาศาสนาในใจไม่เหลือยังจะไปปกป้องาศาสนาของประเทศชาติก็มันก็ยากไอ้สิ่งที่ทําไปมันก็เป็นเพียงแต่การกระพือความหลงนะความโกรธให้แพร่หลายมากขึ้นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของาศาสนาในขอชาตินะเอาแค่ว่ า, าศาสนาในใจเราเหรือว่าความ ความเจริญความสุขความยั่งยืนเนี่ยอาชีพใครๆก็ปรารถนากันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีความสึกตัวความสึกตัวเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสําคัญนะมันทําให้มันทําให้ชีวิตอยู่ในความมั่นคงจิตใจปลอดภัยจากอันตราย หรือควาตรายจากมาที่หาช่องเข้ามาเล่นงานจิตใจเราอยู่เสมอหลวงพ้อมเีนะไครบอกเนี่ยการทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนการ เป็นวิธีที่ย่นยอ่อเป็นการปฏิบัติธรรมที่ย่นยอ่อเหมือนกับธรรมะในกรรมมือเหมือนกับธรรมะในกรรมมือธรรมะในกํา ม, มือนั้นท่านก็โยมไปถึงว่าใบไม้ในกํา ม, มือนั่นแหละใบไม้ในป่ามีเยอะแต่วิจารต์แต่ว่าทำธรรมที่พระองค์สอนนี่ยก็เหมือนกับใบไม้ในกรรมมือก็คือว่าไม่มากเท่าไหร่ แต่ช่วยพ้นทุกข์ได้แต่ธรรมะของพระองเนี่้ายอ่อทยอยเหลือแค่หนึ่งเนี่ยก็ก็ได้แก่ความรู้สึกตัวนั่นแหละซึ่งก็โยนรเรื่องสติแล้วก็ความไม่ประมาทในยุกจ้ตอบวาเี่ยในโอวาทประในในปชิมโอวาทวันนี้ ทนทั้งหลายจงทองความไม่ประมาทถึงพร้อมเธอหรือทำเพื่อถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนะี่ยอันนี้ในความหมายก็ยคือว่าให้ให้มีสติให้มีความสึกตัวเพราะว่าถ้ามีความสึกตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความขนข、วายเร่งรีบถ้ามีสติแล้วมันก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ชาเชืออ ไม่ปล่อยปละละเลยสติมันทำให้เกิดความกระตือรือร้ น, นเร่งเร่งทำเมื่อรู้ว่าชีวิตนี้สั้นนะก็จะเร่งทำความดีเมื่อรู้ว่าความตายต้องเกิดขึ้นก็ต้องฝึกใจให้เตรียมตัวเผชิญความตายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีสติมีความสึกตัว ว่าทําไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวหรือว่าไม่มีสติเนี่ยมันก็คือถูกครอบงําด้วยความหลงความเพ้อเพลินก็ทําให้เฉื่อยชาปล่อยปะละเลยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าให้ยนยลายสอก็คือการทําความรู้สึกตัวหรือการเจริญสติ เคยมีคนถามหลวงปู่ดูนะหลวงปู่ดูครว่าปัญโยมาสักแก่ถามหลวงปู่นยอยากได้อยากให้หลวงปู่เนี่ยพูดธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อทำให้โรกโกดหลงหมดไปท่านก็พูดเสียงดังฟังชัดแค่คำเดียวว่าสติ ธรรมะสั้นๆเนี่ยลูกศิษย์ก็คิดว่าคงจะยาวและประโยคน์นะหรือว่าประมาณสักบรรทัดสองบรรทัดเนี่ยธรรมะสั้นๆเนี่ยที่จริงเนี่ยมันย่อดได้เหลือแค่คําเดียวคือสติซึ่งอันนี้ก็ก็ตรงที่พระเจ้าว่านี่ยว่าถ้าหากว่าอยู่ในอยู่ในถิงพระบิดาถ้าพระอยู่ในถิงพระบิดาเนี่ย พอยใจอยู่ในสิ่งของบิดาก็คือสติปัฏฐานเนยก็จะปลอดภัยนะที่จริงไม่แค่ปลอดภัยจากบ่วงแห่งมารเท่านั้นนะหรือว่าจากการคเข้งมาของมารแต่ว่ายังสามารถที่จะยกจิตยกใจโดยกทั้งไปพ้นจากอํานาจของมารได้คือมานี่ตามหาไม่เจอไม่ใช่แค่ว่าไม่เปิดช่องให้มารเข้ามาเล่นงานได้เท่านั้นนะแต่ว่า มายังตามหาไม่เจอด้วยไม่รู้ไปไหนหาไม่เจอซะแล้ว <c oughs> เรียกว่าอยู่นอกเหนือขอบข่ายของของมารที่จะไปถึงได้เน้ <c oughs> น, นการการปฏิบัติที่ทรัดสั้นเนี่ยของชาวพุทธเนี่ยก็คือนะการเจริญสตินั่นแหละ จึงต้องทำให้ถูกทำให้ครบถ้วนให้เมตสติรู้กายรู้ใจแล้วต่อไปก็จะรู้เวทนาตรงความเขียกนก็ใช้พูดเสมอนะคือเห็นหรือดูภาวะที่ดูนะภาวะที่เห็นเห็นแล้วไม่ก็ไปเป็น อันนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจเลยมันเป็นหัวใจของการการปฏิบัติหรือภาวนาในพุทธศาสนาผูจารนี้ท่านก็ย่อนะย่อคองสอนพรงค์นี้ให้ให้เหลือแค่สติปัฏฐานนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ย่อให้สั้นลงอีกนะ จากสติปัฏฐานสีก็ให้เหลือแค่สติตัวเดียวหรือว่าความสึกตัวหรือว่าการเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเราโชคดีนะที่นันที่ได้ยินได้ฟังคำสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านช่วยย่อให้เราซึ่งก็น่าช่วยทำให้เราปฏิบัติได้ได้ถูกที่ถูกทางมากขึ้น แต่ก็ก็ต้องระมัดระวังนะว่ า, อ, าอย่าไปทำให้มันง่ายจนเกินไปหรือว่าไปยึดติดถือมั่นเช่นตัราสติแล้วว่าไม่สนใจเรื่องศีลอันนั้นก็ไม่ใช่สำหรับคนเราเนี่ยนัน การที่เราจะมีสติดได้เนี่ยสำหรับคนทั่วไปก็ต้องมีศีลน เ, นเป็นตัวรองรับอาจจะว่าจะทำํำจะเจริญแต่สติแต่ว่าศีลไม่เอาทำอยา่างอื่นไม่เอาเนี่ยทานก็ไม่สนใจก็ไม่ใช่นะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตัวช่วยนะที่จะเป็นตัวรองรับให้สติเนี่ยมั่นคงก็คือต้องมีศีลพยายามรักษาศีลให้ดี พอบ่อยครั้งเนี่ยเราก็เผลสตินะแต่ถ้าเรายังมีศีลเอาไว้เราก็ช่วยทำให้สติกลับมาได้ไวไในเช่นถ้าเราแม้เราเผลอสติอย่างไรแต่เรานะไม่ไปทำร้ายใครไม่โกหกไม่หลอกลวงใครหรือว่าไม่ไปทำผิดประเวณี หรือว่าไม่ไปกินเหล้ามันก็ช่วยทำให้เกิดภาวะที่เอื้อต่อการมีศีลไอศีลที่หายไปก็กลับมาได้ง่ายพอการที่แม้เรารู้ว่าสติเป็นของดีเราก็พยายามฝึกนะแต่ว่าปุถุชนยังไงมันก็เผลอเนี่ยก็พลังยังไงก็งงไงก ม, ม่มีสติอาจจะเป็นช่วงสั้นๆหรือช่วงยาวๆ แต่ถึงแม้ไม่มีสติเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดผลเสียถ้าเรามีมีศีลเอาไว้นะศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องป้องกันมันเป็นรั้วเป็นรั้วไม่ให้เราออกไปทําสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็เแต่กันก็เป็นรั้วที่ป้องกันไม่ให้สิ่งภายนอกมาทําอันตรายเราศีลเนี่ยมันเป็นรั้วที่มีความหมายสองแง่ ป้องกันไม่ให้เราไปทำสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่โง่เขลาสิ่งที่จะเป็นผลเสียกับเราในในวันข้างหน้าแตเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ความทุกข์หรือว่าความเดือดเนื้อร้อนใจรวมทั้งมาด้วยแหละนะเข้ามาเล่นงานเรา เพราะฉะนั้นนีแม้เราจะรู้ว่าการเจริญสติเป็นสิ่งสำคัญนะแต่ว่ามันก็ต้องให้ความสมเหัุเรื่องการมีศีลด้ว ย, ยการรักษาศีลให้ดีคนเราเนี่ยไม่ว่าจะจะตั้งใจดีแค่ไหนนันก็อาจจะเผลอจะพลาดได้ แต่ถ้าเรามีมีกติกามีระเบียบคอยคอยยั้งตัวเองเอาไว้มันก็ทำให้ไม่เกิดผลเสียมากก็เมือการขับรถเนี่ยนะการขับรถเนี่ย นอกจากคนขับจะต้องมีสติแล้วเนี่ยนะ ก, ก็ยังมีวิธีป้องกันอย่างอื่นอีกมากมายนะเพื่อไม่ให้อรถที่เราขับเนี่ยมันไปก่อกอันตรายไดนะ้มันก็จะมีกติกาต่างมากมายนะถึงแม้จะคนขับจะจะเผลอเลยยังไงนะก็ยังมี กติกามากมายที่คอยบรรเทาอันตรายได้เช่นมีสัญญาณไฟมีตำรวจแล้วก็มีข้อห้ามมากมายมเผ อ, อยังไงมันก็มีสิ่งที่คอยเตือนใจให้กลับมามีสติ ขับรถเจอไฟแดงอ่ะมันก็เกิดสติรู้ตัวขึ้นมาต้องชะลอหรือ ว, ว่าขับรถกำลังหลับเพลิน เ, เก็มีเสียงเขย่ารถมันเขย่าเพราะว่าถนนนี่มันมี ม, น ม, มันมีคล้ายๆลรูปและหน้าเล็กๆคอยเตือนให้ตื่นขึ้นมาสีมันก็ทำหน้าที่นี้ด้วยนะคอยควบคุมไม่ให้ ไอ้ความเพอ้อเล่ของเราความไม่มีสติของเราเนี่ยมันไปก่อปัญหาตั้งกต่ตัวเองและผู้อื่นนี่ถ้าเรามีเมื่อเรามีศีลมันก็ทําให้เรามีสติและเมื่อเรามีสติมันทาให้เรามั่นคงในศีลมากขึ้น <c oughs> เราทําให้เราเนี่เห็นความจำเป็นการพัฒนาคุณธรรมข้ออื่นขึ้นมา เพื่อช่วยให้สีของเราเพื่อวยสติของเราเนี่ยมันมั่นคงเช่นมีความเมตตากรุณารู้จักให้อภัยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะว่าถ้าเรามีเมตตากรุณารู้จักให้อภัยเนี่ยความโกรธก็เข้ามาเล่นงานเรายากเพราะถ้าความโกรธมาเล่นงานเราเมื่อไหร่เราก็ไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่การเพียงแค่การความตั้งใจที่มีสติตัวเดียวเนี่ยมันก็ กระตุ้นให้เราต้องต้องพัฒนาคุณธรรมข้ออื่นขึ้นมานะให้เป็นตัวรองรับรองรับสิรองรับสติแล้วก็ป้องกันสติด้วยใขณะเดียวกันในการเจริญสติเนี่ยสติปัฏฐานสีก็ต้องทำนะใ้เรื่องการมีความสึกตัวในกายเนี่ย ทำอะไรก็รู้ตัวเนี่ยนันเป็นพื้นฐานเลยแมวันนั่งเฉยๆก็ยังรู้ตัวแต่ใหม่ๆเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยก็รู้ตัวยากนะใจมันลอยก็ต้องมีอเรียบทขยับขยื่นเช่ยนยกมือ <c oughs> พลิกมือคลึงนิ้วกระดิกนิ้วไอ้พวกนี้เนี่ย มันช่วยทำให้เรามีสติกลับมารู้เนื้อรู้ตัวไมะงั้นใจมันลอยใจลอยเพราะอยู่นิ่งๆอันนี้รู้กายแล้วก็มารู้ใจรู้ใจนี่ก็แค่ดูเฉยๆนะเห็นหรือวางใจเป็นกลางไม่เข้าไปคนปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนเนี่ย มักจะบน่นักจะบ่นปัญหาก็คล้ายๆกันคือว่าฟุ้งซ่านเหลือเกินทำยังไงมันถึงจะหยุดฟุง้งซ่านที่จริงเนี่ยไอ้ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นธรรมดาด้วยซ้ำแต่เพราะว่าไม่ชอบความฟุ้งซ่านนั่นแหละมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ พอไม่ชอบของสร้างก็พยายามบังคับจิตให้หยุดคิดพยายามบังคับจิตให้เพ่งเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เครียดแล้วก็มีอาการทางกายเช่นแน่นหน้าอกปวดหัวอันนี้พอไม่ได้แค่ไม่ได้แค่ดูหรือเห็นก็เฉยๆนะแต่ว่ามันจะเข้าไปทํนโน่นทานี่เข้าไปแทรกแซง ก็เลยเข้าไปเป็นเลยเห็นเนี่ยมันต้องไม่เข้าไปเป็นด้วยนะแต่ส่วนใหญ่พอเห็นแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นเลยเพราะว่าชอบหรือเพราะชังถ้าชอบก็จะทวงเข้าไปในอารมณ์นั้นถ้าชังก็พยายามผลักไสยพยายามกดข่มเสร็จแล้วก็เข้าไปเป็นถูกมันหลอก ปลาเนี่ยเขาเวลาเขาจะเขาจะดักจับสันเนี่ยเขาก็ดักสองวิธีด้วยกันนะ <c oughs> วิธีแรกก็เอาเหยื่อที่ที่สันนั้นชอบเนี่ยมาเนี่ยวิธีจับปลาเนี่ยจับปลาก็ใช้วิธีเนี่ยคือเอาเหยื่อเอาหนอนมาล่อจับเสือก็เอาเนื้อเอาเนื้อมาล่อเอาเก้งเอามาเอาเก้งกว่าปลามาล่อมันชอบเนี่ย พอมันเข้าไปเ็้าไปใกล้ยเยอะก็ติดบ่วงเลยหรือว่าประตูประตูกรงมันก็ปิดเลยอยีกวิธีหนึ่งใช้สิ่งที่สัตว์นั้นไม่ชอบนะเช่นจะตอนกต่อไก่เนี่ยจะจับนกจับไก่เพื่อเอาอะไรเอานกเอาไก่เนี่ยเข้ามาไก่เนี่ยพอมันเห็นมีแขกแคนแปลกหน้าสัตว์แปลกหน้าเข้ามามันก็จะไปไล่ ก็ไปไล่นกเขาไปไล่ไล่ไก่พอก็ไปไล่นี่ก็เสร็จเหมือนกันคนเราก็เหมือนกันนะจิตใจคนเราเนี่ยตกเป็นตกเป็นวงตกอยู่ในอำนาจของมาก็เพ่าะหนึ่งหลงเข้าไปหาสิ่งที่ชอบหรือไม่ก็พยายามไปผักสไกส mm. ่ไปผักไส่เช่นไปผักไส่ความฟุ้งซ่านไปผักไส่ความโกรธไปผักไส่ความ ความโลภแทนที่จะอยู่เฉยเฉยแทนที่จะดูเฉยเข้าไปไปผักสายไปกําจัดมันเหมือนกับไก่ที่มันเป็นไล่ไก่ที่เขาเอามาต่อหรือนกที่ไปไล่นกต่อก็เสร็จเลยนะถูกจับได้แา ท, ที่จริงไม่ต้องทำแล้วแค่ดูเฉยนะ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นกับดักของนักปฏิบัติที่ว่าไม่ใช่แค่ดูเฉยๆหรือว่าเห็นเฉยๆนะแต่ว่ามันคันไม้คันมือนะอยากจะเข้าไปเข้าไปต่อสู้ไปพักสเข้าไปลมรานพันตูมันก็เลยเสร็จเลยนะเข้าไปเป็น ใการเจริญสติเนี่ยนะท่านก็ให้แค่ดูแค่รู้เฉยๆนะรู้ว่าจิตเนี่ยมันมีราคะมีโทสะมีความฟุ้งซ่านหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าไม่มีก็รู้ไม่มีนะไม่ต้องไปทำอะไรกับไอ้ความไอ้ราคะาโทสะหรือความฟุ้งซ่านนั้นนั้นถ้าเรา ดูกายดูใจเป็นเนี่ยนะในการเจริญสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องง่ายหลวงพ่อฝันท่นพูดตอนโบราณพูดคำโบราณแล้วเนี่ยถ้าทําเป็นเนี่ยความสึกตัวทําทเป็นเนี่ยมันก็เหมือนกับกิ่งคลกลงเขาแต่ถ้าทาไม่เป็นทําให้ถสมก็เหมือนกับเข็นคลกขึ้นภูเขาต่างกันมากเลยนะกลิ้งกลิ้งคลกลงเขาเนี่ยกับเข็นคลกขึ้นภูเขา เรีนรู้แล้วก็ต้องทําให้ถูกนะทําไม่ถูกก็ก็เกิดปัญหาแต่ถ้าทําไม่ถูกแล้วรู้จักสรุปบทเรียนนะเอ่ความไม่ถูกมันความผิดมันก็สอนเราได้ความเครียดความหงุดหงิดก็สอนเราได้ว่าเราทําผิดอาการแน่นหนะ้าอกปวดหัวก็สอนเราได้ว่าเราต้องผ่อนต้องคลายมากกว่านี้อชาติพูดตอนนี้นะกลับฮนะ